ال ة ه และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวสวรรค์โดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้น وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا و ذ ِ ا ل ق ر ب ى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ة, และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญากั บ, บวงวานอิสราเิลว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสการะใครหรือสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และจงทาดีต่อบิดามารดาญาติที่ใกล้ชิดเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและจงพูดจากับมนุษย์อย่างสุภาพและจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระอากาศแต่แล้วพวกเจ้าก็บ่ายเบิดนอกจากจำนวนน้อยในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นโดยพวกเจ้าเป็นผู้ผินหลังให้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 ي ا ر ه م تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم مسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتفرون ك ببعض فما جزاؤ من يفعل ذ من ر ل ر ك منكم إلا خزيوم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون พยายลังพวกเจ้านี่แหละข่าตัวของพวกเจ้าเอง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 และปฏิเสธอีกบางส่วนกระนั้นหรือดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทมดังกล่าวจากพวกเจ้าจึงไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความอัพยศอดสูในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นและในวันกิยามะพวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันรุนแรงยิ่งและลอโนลนั้นจะไม่ทรงเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทา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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيده ن بروح القدس أف كلما جاءكم رسول بما لا ت ه و ى أنفسكم ا س ت ك ب ر ت م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 ب ِ س َ م َّ ى َ ش ْ ت َ ر ُ و ا بِهِ أَلْفُ س َ ه ُ م ْ أَيْ أن ي َ ف ُ ر ُ و ن بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَأَأُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 ดังนั้นพวกเขาจึงนำมาความคกลิวโกรธซ้อนความคกลิวโกรธกลับไปอย่างพกุกและสำหรับผู้ปฏิเสธสถานนั้นจะได้รับการลงโทษอันต่ำต้อยลลออ ล, ล, ล, ล, ลบอลบ ลัทมั่กก ว, ว, วิดขลิมามอุทมุลูนบออลิมีลุ่มาตุลูนบีอาอัลลอฮิมล่ิาต์คุนบาอัลอิมีุที่มาตุูอัลลิมีลทลมาต์ูนอาลลิมีที่าต์อุณลูนีอาอัลลอฮ์คุณที่ AH ท ล, ลิมาต์ลูนาอัลอฮิว่า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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ا ل ط ُّ و ر َ خُذُوا مَا آ ت َ ي ْ ن َ ا ك ُ م بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ ب ِ أ َ س ْ م َ ا ي َ أ ْ م ُ ر ُ ك ُ م بِهِ إِيمَانُكُمْ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 “قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين” โมฮัมหมัดจงกล่าวเถอะว่าถ้าหากสถานพมนักแห่งปราโลกณนะ์ที่อัลลอฮ์เป็นของพวกเจ้าโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นของคนอื่นแล้วลราก็ จงหวังความตายเถิดหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจิตและพวกเขาจะไม่หวังความตายเป็นแน่นึ่งด้วยสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำมาก่อนแล้วและแลอร์นั้นเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อผู้อารรมเหล่านี้ ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنته وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون. لا ننن. و ن جاء ะพ ا ب ่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 قُلْ لِجِبْرِيلَ مَنْ كَانَ عَدُوًا กลเม็นแค้นอ ل ุวِลลิจิบริล ا ل ะอินน์ ا ل ل ه เน د ล์ฮ์ِัลลาห์บิดَนอ ش ลลาห์มุซดด์กลเม็นเบَย์เดย ن ฮ์วะฮุดอัลวับูชร้าล์ลิลมุฮัมมิญ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 อลลดนิกฟรใครที่เคยเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์มาเลายก์กาของพระรูปบรรดาศาสนาทูตของพระรูปยิบรอยน์และมิงกาอินนั้นแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นลกกออดนายิบ و َمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ และแท้จริงเราได้สัญญาณต่างๆอันชัดแจ้งลงมาอย่างพวกเจ้าแล้วและจะไม่มีใครปฏิเสธสัญญาณนั้นได้นอกจากบรรดาคนชั่วเท่านั้น أَوَكُلَّ م َ ع, ع َ ه َ د ُ و ا عَهْدَنَّ ب َ ذ َ ه ُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ และคราใดที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็เหวี่ยงสัญญานั้นทิ้งเสียกระนั้นหรือไม่หรอส่วนมากในหมู่พวกเขาไม่ศ ร, รัทธาต่างหามาก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 ทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่รู้ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه و م ا ه ب ض ا ر ي ن به من أحد إلا بإذن الله َيَتَعَلَّمُونَ يَضُرُّهُمْ يَنْفَعُهُمْ فِي ي اشْتَرَاهُ عَلِمُوا وَلَا وَلَقَدْ لَمَنِ لَهُ الْآخِرَةِ مَا مَا مِنْ مَا أَنْفُسَهُمْ وَلَبِئْسَ شَرَوْ لَوْ كَانُوا بِهِ خَلَاقٍ และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาชัยตอนในสมัยสุลมานอา่านให้ฟัง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 เจ้าจงยาปฏิเสธศรัทธาเลยแล้วพวกเขาก็ศึกษาวิชาไสยศาสตร์จากสิ่งที่พวกเขาจะใช้มันทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างบุคคลกับพันยาของเขาแต่พวกเขาไม่อาจเป็นผู้ทำสิ่งนั้นให้เป็นอันตรายแก่ผู้ใดไ ด, ได้นอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอ์เท่านั้นและพวกเขาก็เรียนรู้สิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขาและไม่ได้เป็นคุณแก่พวกเขาและแท้จริงพวกเขารู้แล้วว่า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 แน่นอนผลตอบแทนณนที่อัลลอ์นั้นย่อมดีกว่าหากพวกเขาทราบโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าพูดว่ารออนะีนาแต่จงพูดว่าอุนซุรนาะ และจงฟังและสำหรับผู้ปฏิเสธสถานนั้นต้องได้รับการลงโทษอย่างเจ็บสสบไม่วัดดุลที่นักฟร م ่นั้น ك ِนั้นَ ا นั้ ل َ้นั้นัَ ل َ้น ك ้ م ั مِنْ خ َ ي นั้ م ั้นั้นั้นั้นั้นั้นั้ ر ح م َั้นั้นั้ Allahul Fadl Al z i m บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งที่เป็นชาวคัมภีร์และชาวมักกะที่บูชาจเจวิตต่างไม่ชอบที่จะให้มีความดีใดๆจากพระผู้บานของพวกเจ้าถูกประทานลงมาให้แก่พวกเจ้าแล้วล้านั้นจะทรงเจาะจงความเมตตาของพรงุมแก่ผู้ที่พรหมทรงประสงค์แล้วล้านั้นทรงเป็น ูทีี่มบุุญคณอันใาหางค์การใดที่เรายกเลิกหรือเราให้มันลืมเลือนไปเราก็จะนำสิ่งที่ดีกว่าอง์การนั้นมา หรือสิ่งที่เท่าเทียมกับองค์การนั้นเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งอะลัมตลัมอันัลลอฮหมุลุสสาวติวลอัวะมาลุมมิดูิลลาฮิมิวะลวะลาีรมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่า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 من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّار حسدا من عد أنفسهم حسدا من عد أنفسهم من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 จนกว่าอัลลอฮ์จะประทานคำสั่งของพระองค์มาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งและพวกเจ้าจงปฏิบัติละมาด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 ฮาเป็นเช่นนั้นไหมผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่ลอ AH, โดยเขาเป็นผู้กระทำความดีแล้วไซเขาจะรับผลตอบแทนณนะพระผู้บานของเขา โดยไม่มีความหวา ด, ลดกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสยียใจว่าการที่ยิวูดเลี้ยส์ทินนักซาระอลาเชียอูว่าการทินนักซาระเลี้ยส์ทินยิวูดอลาเช ل ยอูว่าห์มย์ทลูนอัลคิทับคดัลลิค์การ ن ลล์ดีนลามล ลลและชาวยิวกล่าวว่าชาวคริสต์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดและชาวคริสต์ก็กล่าวว่าชาวยิวนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดทั้ทงๆ ท, ที่พวกเขาอ่านคัมภีร์กันอยู่ในทํานองเดียวกันบรรดาผู้ที่ไม่รู้ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกับ คำพูดของพวกเขาดังนั้นในวันปรโลกอัลลอฮ์ะจะทรงตัดสินในระหว่างพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแยง้งกัน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 ที่นั่นคือพระพระกอโลแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้และพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงยึดเอาพระบุตรองค์หนึน่งพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ แต่สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิน้นโดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้สแธนนอบน้อมต่อพระองค์พระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินและเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิด่งใดแล้ว โรมเพียงแต่ประกาศสิบแก่สิ่งนั้นว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็น และบรรดาผู้ที่ไม่รู้ได้กล่าวว่าชะไหนอัลลอด์จึงไม่ตรัสแก่พวกเราหรือไม่ก็ให้มีสัญญาณอย่างหนึ่งมายัางพวกเราในทํานองนั้นแหละบรรดาชนรุ่นก่อนเขาก็กล่าวเช่นเดียวกับคำพูดของเขาโดยที่หัวใจของพวกเขาคล้ายขึ้นกัน ความจริงเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆไว้อย่างชัดเจนแล้วแก่กลุ่มชนที่ศรัทธาและความจริงเราได้ส่งเจ้ามาพร้อมกับสัจธรรมในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าววาย และเจ وم, ้าจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับชาวนรก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 โอ้วงวานอิสราเอลจงดำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้กรุณาต่อพวกเจ้าและแท้จริงข้าได้เทิดพวกเจ้าเหนือประชาชาติทั้งหลาย عة عت ص และจงวันเกรวนน ง, งวันหนึ่ ง, ซ, ง, นนงซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้